กัปวันพระขึ้นสิบห้าค่ำนที่ผ่านมาแล้วก็เป็นวันที่พระเจ้าทรนะงตัดสรุปประสูตตัดสรุปแล ะ, สะเสด็จ ด, ดับขันปรินิพานตองกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเพนเดินหกวิสาขามาดวิสาขาก็แปลว่าเดินหกนะแล้วหลังจากที่พระองค์ได้ปรินิพานแล้วเนี่ยนะ วันอัฐมีบูชาก็คือนะวันแรมนะ8ค่ำที่จะถึงนี่แหละก็จะเป็นวันที่นะถวายพระเพิงพระสรีระองคเสดพระศัสด า, า, สารสรพระสมมาสมพุทธเจ้าพระสรีระของพระพุทธเจ้านี้เนี่ยนะบรมกษัตริย์ของ เมงกุสินาราเนี่ยที่เขาจัดถวายท่านเจ้าภ้าขาวเนี่ยชุบด้วยน้ำมันเครื่องหอมเนี่ยพันทั้งหมดห้าร้อยชั้นแต่เมื่อถวายพระเพลิงแล้วพระม ก, ก็สปะเมื่อได้มาขอเข้ามาพุทธเจ้าแล้วนั้ น, นไฟก็ติดขึ้นเองเลยเป็นอัศจรรย์ ก่อนนั้นนั้นใครจะมาติดไฟนี่ครัติดไม่ได้ต้องหลอพระมกคสป่ามาก่อนแต่เมื่อได้ถวายว่าเพิงเสร็จแล้วนี่ผ้าขาวชั้นในสุดนี่ไม่ไห ม, ม้ไฟนะอัฐิท่าของพระพุทธเจ้าก็จะรวมอยู่ในผ้าคู่สุดท้ายนั่นแหละนะอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ะ นะมะกุดพันธะเจดียนะ์ห่างจากที่พระองค์เสด็จดับขันบริธภพานประมาณ1กนะิโลเมตรทุกวันนี้ก็ทาเจ้าโศกทำเป็นเจดีย์ขึ้นนะี่ว่ามกุดพันธะเจดียนะ์มะกุดนี่ก็แปลว่ายอดนะนะเป็นยอดมีเสาโศกเดี๋ยวนี้เสาโศกก็หายไปแล้ว ขวัญพระพุทธเจ้าที่พระองค์จะเสด็จดับขันพิะรุญพันสุดท้ายนั้นน่ะมีปริพาชกผู้หนึ่งมีศรัทธามากนั่อยากจะเข้ามาฟังธรรมพระพุทธเจ้าแต่พระอนุ น, นีก็ห้ามไว้พระพุทธเจ้าทรงประชวรหนักแล้วเนี่ยใกล้จะพระรุญพันแล้วก็เป็นธรรมดาของพระผู้ประทากอย่างพระอนุนมีปัญญาก็ห้ามไม่ให้เข้ามา นะแต่ว่าผู้ที่ตั้งใจอย่างมากที่จะมากกาศพระพุทธเจ้าก็พยายามไม่ลดละนะก็มีเสียงดังมีการโต้เถียงกันเสียงก็ดังไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วแต่พระพุทธเจ้ า, ท, าท่านทราบแล้วล่วนะนาท่านทราบแล้วท่านมาพรินิพพานที่เมืองกุศินารานี้ก็ต้องการมาโปรดสัพพะพรริพาชรกนี้เหมือนกันนะสัพพะพระริพพชรก็ พระพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตากรุณาให้พระ น, นนุ์นัน้นให้สุพัทธะบริพาชกในสมัยนั้นเข้าไปเฝ้าพระ อ, องค์ได้สุพัทธะบริพาชกนั้นก็ถามปัญหาพระพุทธเจ้ า, าว่าสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นี้นเนี่ยมีอยู่ในพุทธศาสนานี้เท่านั้นหรือหรือว่ามีที่อื่นด้วย พระเจ้าก็ตรัสว่าสมณะที่หนึ่งที่สองที่สาที่สี่นี่จะมีเฉพาะในพระพุทธ ศ, ศาสนาเท่านั้นต้องปฏิบัติตามหลักของศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานะนะถึงจะมีดวงตาเห็นธรรมจะรู้แจ้งในอริยสัจสี่ได้สมุท t h พริภาชกนี้มีศรัทธามากทีเดียว ต้องการเจาอวสมบทในพระศาสนาแต่ว่าเป็นพระรภาชกก็จะต้องปฏิบัติวัดปฏิบัติให้มีความเ ค, รคารพคารวะในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก่อนนะสี่เดือนนแต่ท่านก็บอกว่าสี่ปีก็ได้นะเพราะมีศรัทธามากอย่าว่าแต่สี่เดือนเลยสี่ปีก็จะอยู่ได้พระเจ้าเห็นมีศรัทธาอย่างนั้นก็เลย มอบหมายพระนนนั้นไปโกนทิษะปองผมแล้วก็บวชให้ในคืนนั้นน่ะท่านก็รีบทำความเพียรเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าใกล้เสด็จดับขันบรินิรผานแล้วทำความเพียรนพิจารณาเห็นเมฆนะที่บดบังพระจันทร์นั้นน่ะค่อยๆเมฆนั้นค่อยๆเกื่อนออกมาจากดวงจันทร์ เห็นดวงจันทร์สว่างสวยขึ้นมานนท่านก็เลยพิจารณาว่าอารมณ์ในใจนี้แหละที่ผ่านเข้ามาในจิตใจจิตใจไปยึดถืออยู่นั่นน่ก็เหมือนเมฆที่มันบังดวงจันทร์เอาไว้อารมณ์ก็บังดวงใจเอาไว้ย้อนกลับมานาย้อนกลับมาพิจารณา นะถึงอารมณ์ที่มันบังดวงใจไว้เท่านั้นเองนะพิจารณาแล้วก็เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปของนามจิตของท่านพระสุภัทถนั้นก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยนี่เรียกว่า เรามีที่ทำเอาไว้เต็มแล้วบุพกรรมของท่านนั้นนะก็มีในพระสูตรว่าพระโกธัญญะกับสุภัทธนะเป็นพี่น้องกันนะนักสจะถวายข้าวนะถวายข้าวที่เก็บเกี่ยวมาได้ ท่านโกธัญญานั้นได้ถวายข้าวนั้นก่อนนักตั้งจิตปรารถนาอธิฐานว่าให้เป็นสงสาวกรูปแรกของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งส่วนท่านสุภทาตนี้บอกว่าต้องเก็บข้าวขึ้นลวงขึ้นช้างให้เรียบร้อยซะก่อนนะสมบูรณ์ซะก่อนแล้วค่อยถวายนักก็ปรารถนาว่าขอเป็นสาวกองค์สุดท้ายท่านประชิม พระสาวกที่ท่านเห็นพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายนั้นก็คือพระสุพัทธะนะจะมีคำถามอยู่เสมอเหมือนกันว่าองค์แรกคือใครองค์แรกคือพระโกฏัญญะเห็นธรรมโดยการรีกว่าฟังเทศนะของพระพุทธเจ้าที่เมืองพารณสีว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลย่อมมีความดับเป็นธรรมดา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งบนยอมีความดับเป็นธรรมดายังกินจิสมุททะธรรมังสพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งคืออะไรจะเป็นอะไรก็ได้ดังเลกสิ่งใดสิ่งหนึ่งทังนั้นะจะเป็นโลปก็ดีเป็นน้ำก็ดีเป็นต้นไม้ภูเขาหรือสิ่งที่ไม่มีวิญญาณคอง ก็เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะถ้าเป็นรูปเป็นนามทั้งหมดเลยมีความเกิดขึ้นมาแล้วย่อมจะมีความดับไปเป็นธรรมดาแต่สิ่งที่มีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความดับไปเนี่ยท่านพระโกธัญญาทราบชาัดความมันก็ไม่มีตัวตนเลยไม่มีตัวตนที่แท้จริง จะไปยึดหมายเอาเป็นตัวตนของเราได้ยังไงว่าเป็นเราของเรานะเพราะว่าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความดับไปาหาความเป็นตัวเป็นตนตไม่ได้แต่ใจนี่มันหลงอยู่ด้วยอวิชชามันก็จะยึดถือเอาเป็นตัวตนทางนั้นเลยนะมีการแบ่งแยกมีสัตว์มีบุคคล มีตัวมีตนมีเรามีเขาเกิดขึ้ น, นการแบ่งแยกนี่แหละก่อให้เกิดนะความโลภที่ไม่อยู่ในศีลธรรมความโกรธเกินศีลธรรมความหลงยึดมั่นถือมั่นเกินศีลธรรมความดีไปก็วุ่นวายนี่ควเราก็มีความโลภโกรธหลงเนะี่ยเอาเราไม่ใช่จะเอาชนะได้ภายในวันเดียวหรือฟังเทศครั้งเดียวบรรลุได้ ท่านสร้างสมบรมบา ร, รมีมามากแล้วเหมือนน้ำนะใกล้จะเต็มแก้วอยู่แล้วหยดไปอีกหยดเดีย ว, วนะั่นฟังธรรมของพระพุทธเจ้าครั้งเดียวเข้าใจชัดนี่คือท่านทำมาแล้วบาเพ็ญบา ร, รมีมาแล้วนี่เรากำลังทำบาเพ็ญบา ร, รมีอยู่นัเราก็ต้องอดทนก่อนนี่ทำไมเราฟังธรรม้องนานปฏิบัติต้องนานทาไมยังไม่เห็นอะไร ต้องอดทนก่อนต้องสร้างบารมีก่อนเหมือนนนะนะต้องสร้างภาระพลังก่อนศรัทธาภละความศรัทธาก่อนวิริยะภละสร้างความเพียรก่อนสติพละสมาธิภละปัญญาพละเราต้องสร้างก่อนนะในกว่าพละทั้งหนะอินทรีห้าพละหนี่ต้องให้มันเข้มแข็งก่อนนะอยู่ใน พอที่ปักจยธรรมก็ทมที่จะเป็นธรรมที่จะให้เราตัดสั้นนั่นแหละนะอริยมรรคมีองค์แปดสัมมปาทานสี่อิทธิบาสีอย่างเงี้ยนะอยู่ในองค์ที่จะให้เราตัดสั้นทั้งนณะโพชงเกตเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราเนี่ยนํามาสร้างบา ร, รมีเนี่ยนะเป็นธรรมดาว่านักปฏิ บ, บัติธรรมก็มีความโลภมีความโกรธมีความโงอยู่ แต่ก็ให้เรามีสติรู้จักดูจิตดูใจว่าเอออันนี้ความโลภเกิดขึ้นแล้วนะอันนี้ความโกรธเกิดขึ้นแล้วนะเออันนี้ความหลงเกิดขึ้นแล้วนะก็ bueno, มีสติดูไว้รู้ไว้ท่าเนี่ยถ้าเร า, ามีสติดูหรือรู้นะเราก็อดทนไว้ไอ้ต้องอดทนนี่แหละต้องสร้างละต้องสร้างความอดทนความเข้มแข็แงอ่ะปกติแล้วคนเรา นมีความโลภก็ทําไปเลยมีความโกรธขึ้นมาคุมไม่อยู่ก็ทําไปเลยทางกายวาาิชานะมีความหลงยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มาเป็นตัวของเราของเราแล้วก็กายวาิชาไม่ควบคุมแล้วเนี่ยนะก็จะไม่อยู่ในสิน่งจึงเบื้องต้นว่าเมื่อเรามีทานก็เราก็เข้ามาในพุทธศาสนาในเรื่องของทานแล้วเบื้องต้นรู้จักการเสียสระแบ่งปัน แบ่งปันเรารู้จักการเสียสละแบ่งปันในเบื้องต้นในะสังคมก็อยู่กันได้เห็นไหมว่าสังคมเนี่ยถ้าแบ่งปันผลก็ประโยชน์กันได้แล้วค่อยู่กันได้ถ้าผลประโยชน์ไม่ลงตัวแล้วก็อยู่กันยากแล้วนะในบ้านในเมืองก็ลําบากนะที่ไหนที่ไหนก็จะลําบากต้องมีการแบ่งปันกันนะัเรียกว่าฐานะบรารมี ยิ่งเป็นการให้ทานแล้วนี่การแบ่งปันความสุขที่เรามีอยู่แล้วให้คนอื่นไม่ใช่เฉพาะทรัพย์สินสติปัญญาการแนะนำการช่วยเหลือต่างๆหรือความเมตตานั่นนะสามารถทำได้วาจาที่พูดที่ไพเราะเป็นศีลก็สามารถที่จะทำได้ขึ้นมาในขั้นของศีลเมื่อเราทำทานเป็นปกติแล้วเราพัฒนาจิตของเราให้มีศีลก มีศีลขึ้นมาเมตของเรามีศีลขึ้นมาในจิตสูงขึ้นกว่าเดิมแล้วนะเพราะว่าเราจะมีสติระมัดระวังกายวาจาหเห็นโทษของความไม่มีศีลเห็นประโยชน์ของความมีศีลขึ้นมาอย่างแจ้งชัดปฏิปทานี้คล้ายๆกับพระโสดาบันบุคคลนะนั่นะเดินทางนี้แหละท่านจะเดินทางนี้ท่านมีทานแล้วท่านก็มีศีล ธนนาณาถาวิริ ก, กาเศรษฐีก็ดีนางวิสาขามหาบาสิกาก็ดีธ่านานาาถาวิริ ก, การเศรษฐีมหาอุบาสกน่ะเป็นผู้ที่มีศีลครั้งแรกเลยมากรุงราชคฤห์นี่แหละท่านอยู่นู่นนะ่ะเมืองสวัสดีแต่เมื่อมากรุงราชคฤห์ได้ยินว่าพุทธเจ้ า, เ, าเกิดขึ้นแล้วเท่านั้นนะ่ะเกิดปิติอิ่มใจขึ้นมาเลย เท่าไปเนรซาจันะก็ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเป็นยังไงได้ยินเท่านั้นเองน้ำว่าพระพุทธเจ้าเพื่อนท่านจะเชิญพระพุทธเจ้ามาฉันนิมนต์มาฉั น, นพอตีถ้ามีเพื่อนเป็นเศรษฐีอยู่กรุงราชะคือท่นานาธาวิการเศรษฐีไปเยี่ยมเนี่ยว่าเพื่อนจะดีใจมากแต่งวนนี้เพื่อนไปแสดงความดีใจไม่มีเวลาต้อนรับด้วยเพราะอะไรเขาก็ยุ่งอยู่ในการจัดธุระที่จะต้อนรับพระพุทธเจ้าอ่ะ นะพอได้ยินว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วเท่านั้นเองท่านเกิดพิติอิ่ม อ, อกอิ่มใจเต็มใจเลยนะนะเต็มใจแบบไหนเต็มใจชนิดที่ว่านีอรัตนานี่เหมือนพระพุทธเจ้าไปประทับณนะที่เมืองสวัสถีบ้างฐานานาถาวินิกาเศรษฐีจะจัดถวายในระยะการเดินทางก็มีสาราที่พักตลอดนะ่าสร้างวัดพระเชตวัน เอากระหับณะหรือเงินเนี่ยกระปูเต็มพื้นที่นั้นเลยเจ้าของที่คิดเชิดขายที่ให้แล้วก็ต้องบอกว่าตั้งชื่อวัดเป็นให้มีชื่อเขาด้วยธนานาถวินิจการเศรษฐีนี่ไม่ได้สนใจในชื่อเสียงเรียงนามเป็นชื่ออะไรก็ได้ขอให้พระพุทธเจ้ามาประทับที่นี้ก็แล้วกันนะตั้งชื่อว่าวัดพระเชโตวันวันละแปลว่าป่านั่นเองอะ แล่ก็สำเร็จได้ที่ที่สวยงามห่างจากกรุงสาวัตถีไม่ไกลนักที่สงบสงัดเงียบนนั้นในเวลากลางคืนกลางวันก็ไม่พุกพ้านคนก็สัญจรไปมาได้ไม่ไกลนักคันนี้ท่าน้นจาตย์ไม่ไดก่าวเศรษฐีเนี่ยฟังธรรมพุทธเจ้า ก, ก็ได้พระโสะดาบันบุคคลนะเป็นพระโสะดาบันบุคคล และเป็นมหาอุบาสกที่สาคัญในทางพระศาสนาด้วยของพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าของเราจึงประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีนี่ถึง19บเกภาษามากที่สุดเลยนะเพราะว่าได้อุปถักทางฝ่ายบาศิกาก็ได้นางวิสาขามหาอุบาสิกานะเป็นผู้เลิศในท่านอุปถักต์มีดวงตาเห็นธรรม เป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดขวบนะพวกเราที่มาปฏิบัตินะ่ะก็นันก็เป็นลูกเป็นหลานท่านอนาถามถระนางเศรษฐีรือนางวิสาขามาบากสิกานนั่นเองอ่ะที่มีศรัทธามีความร้อมมใสในพระพุทธศาสนามีศรัทธาในการทำบุญทำทานเป็นปกติมีศรัทธานะ ในการถือศีลในวันพระหรือปัจยบันอาจจะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้เป็นปกติคือมีศีลห้าประการอาจจะวันหยุดวันใดวันหนึ่งแล้วก็มีศีลแปดสักหนึ่งวันนะคือมุ่งหวังในการปฏิบัติทางจิตใจนั่นเองอะไม่ได้มุ่งในทางโลกอย่างเดียวนะท่านอาณนาธรรนกการเศรษฐีนี้ท่านก็มีธุระมากมายนะในการอยู่กับสังคมแต่ว่าท่านม่ลดละ ในการไหวพระสวดมนต์ในการบมเพ็ญปฏิบัตินะน่ะมีศีลมีธรรมเรื่องการให้ทานนี้ไม่ต้องพูดละทำเป็นปกติยังเมื่อพวกเราเนี่ยมาถึงยุคนีนะ้พระพุทธศาสนานี่ยังอยู่นะยังมีอยู่เราก็เรียกว่าเป็นผู้โชคดีมีบุญวัสนาบารมีเคยสร้างสมบรมมาแล้วระดับหนึ่งแหละแต่ก็ต้องสร้างต่อไปให้มี กำลังของทานให้มันคงกําลังของศีลในถาวรกําลังของสติปัญญานั้นนะให้มันดีขึ้นมาเรื่อยๆต้องพัฒนานเพราะเราอยู่กับรูปธรรมนามธรรมนี่ใช่ไหมอยู่กับรูปธรรมนามธรรมใจเนี่ยแต่ว่าเราก็ยึดมันอีกคือเรานี่คือขอ ง, ของเราพระเจ้าตัดว่าสิ่งนี้สิ่งนึงมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งเหมือนจะมีความดับไปแต่เราก็เห็นมันเกิดขึ้นอย่างเดียวไม่ดับ เห็นแต่เป็นตัวเราอย่างเดียวก็เพราะว่าสักยทิฐิความเห็นผิดที่มันดิ่งลึกฝังไว้ในใจมานานแล้วนะใจเรายึดถือเลยนี่คือเรานี่คือของของเราแน่นอนเลยนะยึดถืออย่างนี้แหละเมื่อเรายึดถืออย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะออกจากความรู้สึกอย่างนี้ได้ยังไงก็เริ่มต้นจากการให้ทานนักสมถทานศิล กิเลสจะถูกนะกำจัดไปด้วยทานด้วยศีลก่อนควบคุมเอาไว้ก่อนนะกิเลสมันก็จะอ่อนแรงลงมาแล้วคราวนี้มันจะคิดฟุ้งซ่านอยู่ไม่หยุดมันมีความโกรธอยู่กับคิดพยาบาทคิดปองไรก็เป็นธรรมดาอยู่แต่ถ้าพระโสดาบันบุคคลนี่มีความโกรธอยู่ยังมีแต่ความพยาบาทไม่มีนะเพราะว่าโกรดนี่ธรรมดายัางมีอยู่โมโหอยู่นะ แต่ว่าจะพยาบาทเอ๊ยจะพยาบาททาไมคนเราเกิดมาก็ต้องตายนะใครดีไม่ดีกับกรรมของคนนั้นเราสร้างความดีที่กว่านี่ก็คือว่าความโกรธนั้นไม่รุนแรงนะความพยาบาทไม่มีถูกตัดไปด้วยมรรคโสดาปฏิมรรคเกิดโสดาปฏิผลละอนี้ถ้าเราปฏิบัติไปอีกหละนดละไปแล้วโลภโกรธหลงมัจะเบาบางลงไปเรื่อยๆไป จนเห็นว่ารูปน้ำไม่ใช่ตัวตนอยางระดับหนึ่งแล้วมักรวมกันแล้วก็รูโกรธนี้จะหมดไปได้เนือความหลงความหลงที่ว่ามีตัวเราอยู่ในสิ่งที่ดีที่กุศลจะหมดไปได้เมื่อเรามีความรู้มีปัญญาที่สุดแล้วนั่นนะจิตจะปล่อยวางในรูปในนามได้หมดนะเพราะฉะนั้นเราจะเอาจิตของเราให้มีความว่างได้หมดนั่นะ ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติในทางนี้ที่พระพุทธเจ้าตัดกับท่านสุพัท t h ว่านะสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นี้อยู่ในพระพุทธศาสนานี่แหละนะเราต้องปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติแล้วก็จะไม่สงสัยว่านะมีได้จริงๆเราจะเห็นสิ่งที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นนี่ะเนี่ยที่เป็นสมมตินี่แหละ เราจะยึดได้จริงๆเห็นจริงๆว่าไม่ใช่ตัวเราของของเราทีแรกเราก็ยึดเป็นตัวเราของเราหมดนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติเนี่ยเราจะมองเห็นชัดเจนขึ้นมาได้ต้องอาศัยการปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติแล้ว ความโลภเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นความลมเกิดขึ้นนะมันจะทับถมไปเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะมากขึ้นเรื่อยๆแหละเรามือโลภโกรธลงมันมากขึ้นแล้วก็จะมีแต่ความทุกข์ความทรมานในใจเมียนไหวยตายเกิดไปไม่รู้จักว่าจะจบลงเมื่อไหร่มันทุกข์ที่เราว่าความสุขความสุขนั่นแหละมันก็เรียกว่าทุกข์มันน้อยลงเท่านั้นเอง อันนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยพยายามปฏิบัติว่าเรามีศรัทธาเชื่อแล้วนะในพระพุทธเจ้าว่าธรรมประสงค์ระดมกัแล้วเป็นศรัทธาที่นะมีความหนักแน่นพอสมควรอันนี้เมื่อเรามาปฏิบัติอกีกสมาธิเริ่มเกิดขึ้นมานะเมื่อเรามีศีลเราก็เห็นพวาใจของเรามันเย็นขึ้นไปเยอะนะ เมื่อเรามีสติที่ดีมีสมาธิตั้งมัน่นนะใจของเราที่เคยร้อนมันก็เย็นขึ้นมาได้นะเย็นได้เหมือนเราอยู่ในอากาศที่เย็นๆสบายนะนี่เย็นก็นได้ผลจากการปฏิบัติทางนั้นอะ่ะเกิดขึ้นยิ่งเราเห็นสิ่งที่เป็นสมมติภายนอกเป็นวัตถุสิ่งของทั้งหลายก็ดีรูปกายนี่ก็ดีแป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาใจของเรายิ่งจะมีความเย็นมาก หรือมีปิติมีความสุขเกิดขึ้นมาทีเดียวเพราะเห็นโลกนี้เป็นสมมุติพระอาทิตย์ขึ้นจิตก็บอกว่าไม่ได้ขึ้นพระอาทิตย์ตกจิตก็บอกไมาได้ตกหรอกนะเป็นของสมมุติเท่านั้นเองนะพระอาทิตย์เองเขาก็ไม่รู้เขาขึ้นหรือเ้าตกเขาเป็นธาตุตามธรรมชาติใจของเราต่างหากที่ไปบอกว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้นะถ้าใจไม่ปรุงแต่งแล้วไม่มีเป็นมิมุต เราก็ต้องพิจารณาอย่างนี้ให้จิตของเราเห็นความเป็นวิมุติท้จิตก็จะหลุดพน้นจากอารมณ์จากความยึดมั่นถือมั่นจากความยึดถือทั้งหลายถ้าเรามีความทุกข์ในใจแล้วก็พิจารณาอย่างนี้ให้มันเกิดความว่างนในใจของเราให้ได้ถ้าเราพิจารณาแล้วเกิดความรู้ความเห็นอย่างนี้ ใ, นใจจะว่างเราถะเห็นชัดว่าโอ้ ใจที่เรายึดถือเป็นอย่างไรใจของเราที่ว่างเป็นอย่างไรนะเราก็จะรู้จากคนทางละวขนทางปฏิบัตินั้นนะก็ต้องมาฝึกกิจให้อยู่ในสีนรมที่ปัญญาอันเป็นมัคนะเมื่อเราเดินมัคคือศีธรมที่ปัญญานี้นะใจของเราก็จะว่างจะละกิเลสละตัณหาได้นิโรธก็จะเกิดขึ้นมาในใจ โดยการที่ทําจิตของเราให้สงบแล้วก็มาพิจารณาทั้งสิ่งภายนอกเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาน้อมมาในการเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทำพิจารณาเสมอถ้าพิจารณาแล้วมันฟุ้งซ่านเกินไปให้กลับมาทําสมาธิดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเหมือนจะพิจารณาความตายพิจารณาความว่างต่างๆนี่แหละให้จิตของเราสงบเข้ามาอย่าปล่อยให้จิตของเราฟุ้งซ่านไป ในวันๆหนึ่งเนี่มันเราปรุงเราแต่งในเรื่องการงานก็ดีเรื่องบ้านเรื่องเมืองก็ดีอะไรมากมายเนี่ยนะมีแต่เรื่องของสมมุติเท่านั้นอะ่ะนั่นเราไม่เคยใช้จิตของเราหยุดเลยหยุดคิดหยุดนึกหยุดปรุงหยุดแต่งนะเราไม่ได้ฝึกเลยนี่ถ้าเราไม่ได้ฝึกเลยเราก็จะเข้าไปให้เห็นมิมุติบอกว่าไม่ไม่มีอะไรให้เป็นอนัตตาทั้งหมดนี่ไม่ได้เห็นไม่ได้ คามังไม่พอนะสติสมาธิไม่ตั้งมั่นปัญญาก็ไม่เกิดนะจิตมันก็เตลิดไปนะเพราะสติไม่มีมันเตลิดไปยึดมัน่นหรือมัน่นเตลิดไปกับความโลภความโกรธความหลงเราต้องมาฝึกลนะคราวนี้เรามาฝึกพยายามมีเวลาถึงก็รู้อยู่ว่าเราก็มีภาระนาทีมากนะแต่ต้องพยายามปฏิบัติไปด้วยแต่ปฏิบัติให้พอดีกับฐานะนะที่เราอยู่เหมือนกัน นะักคารก็มีสิน5้นะสิน8สัก1วันในวันหยุดราเสาร์อาทิตย์นะเราก็เดือนหนึ่งเราก็มาเทอสิน8 15สิวันครั้งหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะั่ก็พยายามปฏิบัตินะทำทานนักษาสินภาวนาให้เป็นปกติมานะเป็นปกติแล้วนี่นะเราก็ฝึกสติของเราในทุกอริยบทนะไม่ใช่เฉพาะมาวัด อยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานก็ดูจิตของเราไว้นาพยายามทำอย่างนี้เนะี่ยทำความเพียรไม่ลดละไม่ลดเลิกพยายามปฏิบัติสร้างความอดทนสร้างวริยะสร้างสติของเราสตินี่คือความระลึกได้สัพัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมเมื่อเรามีสติที่ดีสมเพยะที่ดีแล้วจิ ต, ตของเราจะถูกพัฒนาขึ้นไปนเรื่อยๆ น้ำทีละหยดทีละหยาดถ้ามันถีขึ้นมาแล้วนะมากๆขึ้นก็เป็นสายน้ำสติของเรานี้นะทีละน้อยที่เราฝึกฝึกไปบ่อยๆขึ้นสติก็ถีขึ้นก็กลายเป็นสายน้ำสายสติของเราได้สมบูรณ์เบื้องต้นมันก็ขาดวักขาดตอนเป็นธรมรมดาบริกรมรมภาวนาก็มาติดต่อต่อมาแล้วสมาธิทำได้ทุกวัน สมาธิเกิดขึ้นทุกวันเจิตใจสงบขึ้นทุกวันมีปิติมีความสุขใจวันไหนไม่ได้นั่งสมาธินั้นรู้สึกขาดอะไรไปแล้วไม่ได้เมื่อเราไม่ได้รับประทานอาหารนี่แหละมันก็หิวจิตมันเคยสงบเยือกเย็นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้นั่งสมาธินั้นไม่สงบนั้นรู้สึกมันหงุดหงิดแล้วถ้าไปนั่งสมาธิแล้วจิตสงบนิ่งเย็นขึ้นมา กายเบาจิตเบาหรือเกิดความสงบแน่นขึ้นมารู้สึกว่าเออมีความอิ่มใจสุขใจเกิดขึ้นนะอันนี้เราก็จะนั่งทุกวันนั่งได้ทุกวันปฏิบัติได้ทุกวันนะในเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นเมื่อเราทําทุกวันพิจารณาไปทุกวันนะเมื่อบารมีเรามันถึงพร้อมก็อาจจะมองเห็นสภาวะทั้งหลายวัดวาอารามตึกรามบ้านช่องวัตถุสิ่งของภายนอก เป็นสภาวะที่มันเกิดดับเกิดดับอยู่นะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชัดแจ้งไม่มีคำพูดว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เห็นในใจอย่างนั้นปกติแล้วก็เห็นเป็นโลภนะเป็นวัตถุแต่ถ้าเราเห็นเป็นอนิจจังเห็นกำลังเสื่อมอยู่อย่างเงี้ยมันเห็นในใจมันจะละอุปท า, านได้ละสักกายทิฏฐิได้วิจิกิกจฉาสิรพตปรมาสได้เห็นโทษเห็นภัยในวตาสงสาร หาทางออกจากพระตถาคสงสารเห็นความวุ่นวายเห็นในบ้านในเรือนทั้งหลายเหมือนกับนะเป็นไฟที่มันไหม้อยู่หมดแล้วไฟคือความแก่ความเจ็บความตายนี่มันไม ห, นหม้อยู่แล้วความทุกข์ทั้งหลายหาทางออกก็ไม่ใช่ว่าจะต้องออกมาบวชหมดหหาทางออกทางด้านจิตใจนะที่จะต้องปฏิบัติภาวนานละโอปทานละความเห็นผิดักสั ก, สกยทิฐิ ไม่จนะิกิีดช้าสิริรับตับปรามาเท้ได้นั่นเองนะอย่างนี้แม้อยู่บ้านที่ทํางานเราก็ภาวนาต่อเนื่องสติต่อเนื่องปัญญาก็เกิดขึ้นมาก็เป็นการพัฒนาเดินอยู่ในมรรคเมื่อเราทําอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆจากวันเป็นเดือนอย่างเดือนเป็นปีอย่างหลายๆปีนี่จิตเราก็จะก้าวหน้าขึ้นไปเราจะเข้ามานะในพุทธศาสนาระดับเปลือกระดับกระพี้ระดับแก่นขึ้นมาเรื่อยๆละ นะเพจเจอนาเห็นครั้งหนึ่งก็เป็นกะทังเข้าวิมุตต์หลุดพ้นไปด้วยปัญญานะด้วยปัญญาหลุดพ้นไปทีละน้อยว่าไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาจริงๆอย่างนี้ถ้าเห็นเนี่ยมันอัศาจรรย์เนละอัศาจรรย์ในในธรรมะนี่นะนะเห็นชัดศรัทธาว่าพระพุทธเจ้ามีจริงอ่ะมันก็มากขึ้นนะเมื่อก่อนเราก็วรศรัทธามากแล้วอ่ะแต่ถ้าเห็นอย่างนี้ขึ้นมาอีกโอ้ยิ่งศรัทธาพระพุทธเจ้ามากขึ้น ศรัทธนะาในการปฏิบัติมากขึ้นเดียวเพราะเห็นอยู่กระจยของเราเลยนะชัดเจนมากขึ้นหานะทางออกจากความทุกข์มากขึ้นนะในการสร้างความดีนะในการให้ทานนี้ไม่ต้องพูดละมีศรัทธาอยู่เสมอเลยนะในการรักษาสินนั้นก็มั่นคงขึ้นมาในการปฏิบัติไม่ขาดบักขดัดตอนปฏิบัติต่อนเนื่องขึ้นมานี่ ถ้าเราปฏิบัติมาได้ขนาดนี้เรียกว่าปฏิปทาของเรานะั่นน่ะนั้นเดินทางเรีว่าเป็นโสดาปฏิมักนะมั่นคงในการเดินมักแล้วศรัทธาตั้งมั่นแล้วไม่หวั่นไหวแล้วเป็นอาจารย์ศรัทธาแล้วนะจนมารมเห็นแจ้งชัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละจิตรวมขึ้นมาศีลสมาธิปัญญารวมขึ้นมาเหมือนสารขึ้นว่าความคดีตัดสินแล้วก็เด็ดขาด ว่ากายนี้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจริงๆนะครั้งแรกเราก็เห็นมาแล้วเห็นโทษเห็นภัยมาแล้วเห็นโูกเห็นนามอรภิ น, นันทนิจังตุขังอนัตตาเราก็เห็นแจ้งชัดขึ้นไปอีกจิตจะถูกพัฒนาขึ้นไปเราก็จะไม่สงสัยแล้วพระพุทธเจ้ามีจริงไหมเพราะเราเห็นอยู่ในใจของเรานี่แหละนะเห็นขึ้นมาหรือบางครั้งเห็นคนเดินไปเดินมาเปน็นตุขตาเดินไปก็ได้ อ, อถ้าเราเห็นสนภาวะของสมมติวิมุติ นะให้เราพยายามเถอะพยายามพัฒนาพยายามปฏิบัติทําให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงอย่างได้ผลจริงๆเมื่อเรายังมีโอกาสมีลมหายใจมีร่างกายแข็งแรงนะพยายามปฏิบัติพยายามภาวนาอย่างนี้ให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงนะก็จะมีความเจริญในธรรมก็ขอให้พวกเรานั้นมีความสุขความเจริญในการสร้างความดีพร้อมด้วยอายุวรณะสุขะบาระปฏิภาณนาสารสมบัตินะขึ้นชื่ อ, อว่าความขัดข้องทั้งหลายอย่าได้มีถ้าเรามีพบมิชาติ ขอให้สมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการเทิน